มงคลทีปนีแปลยกศัพท์ข้อที่47ปะนะส่วนว่าปันดิตาอันว่าบัณฑิตทั้งหลายอาตานังจะยังตนด้วยประโยครวบอัตโนวัจะนะการะเก อ, อัญญบทชนีจะยังชนทั้งหลายผู้กระทำซึ่งคำของตนด้วยวินาเสติย่อมให้พินาศ น, นะหาไม่ได้ ปาเปนติยอำให้ถึงวุฒิทิงซึ่งความเจริญประโยครวบอัตนาสุขขะหิเตนะอัญมบทกัมเมนะเพราะกรรมอันอันตนถือเอาดีแล้วประโยครวบพุทธาทโยอัญมบีสัพปริสายะถาราวกะอันว่าสัตว์บรุษทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้น ชบประโยคหิจริงอยู่พุตโธอันว่าพระพุทธเจ้าปาโตทรงบรรลุแล้วสราบพันยุตอย่างซึ่งความเป็นแห่งบุคคลผู้รู้ซึ่งทำทั้งปวงสรรพคูณนาหลังกะตังอันประดับแล้วด้วยพระคุณทั้งปวงประโยค์รวบอัตนาสุขหิเตนะอัญญบทกรรมเมนะประกรรม อันอันพระองค์ทรงถือเอาดีแล้วจุลภาคสารีปุตตาทโย อ, อัญยบทเถราอันว่าพระเถราทั้งหลายมีพระสารีบุตรเป็นต้นปุตตาบรรลุแล้วสาวกะปารมิญยานาทิคุณชาตังซึ่งคุณชาติมีสาวกบรมยานเป็นต้นตาถาเหมือนอย่างนั้นจรประโยชน ไปนะก็เทวมนุษยอันว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอปริมานาผู้มีประมาณหามิได้อาคมะอาศัยแล้วพุททางซึ่งพระพุทธเจ้าอาสวะขยังปะตาอัญบทจับรรลุแล้วซึ่งความสิ้นไปแห่งอาสวะด้วยพระหมโลกังอุปนนาจัก เข้าถึงแล้วซึ่งพรหมโลกด้วยจุลภาคอาศิตกุลสหสานิอันว่าพันแห่งตระกูล80ดสิบทั้งหลายจิตตังยั่งจิตภาษาเทตวาให้เลื่อมใสแล้วสารีปุททตตดเถ ร, ใ, รในพระเถระาชื่อว่าสารีบุตรอุปัฏฐหิตวาบำรุงแล้วเถรรังซึ่งพระเถรจะตูปัจเยนะด้วยปัจจัยสี่ นี่พระติงสุบเมืองเกิดแล้วสร้างเกในสวรรค์จุลภาควงเล็บเปิดอาศิติกุลสหันสานี้อันว่าพันแห่งตระกูล80ทั้งหลายจิตตังยังจิตภาษาทิศตวาให้เลื่อมใสแล้ววงเล็บปิดสรร พ, พมหาสาวเกสุในพระสาวกผู้ใหญ่ทั้งปวงทั้งหลายมหาโมคคลานะมหากัสปาทีสุ มีพระมหามโมคลานะและพระมหากัชสบ่บเป็นต้นวงคลเปิดอุปัทธหิตวาบำรุงแล้วสราบบามหาสาวเกซึ่งพระสาวกผู้ใหญ่ทั้งปวงจะตุปปัจจเยนะด้วยปัจจัยสี่ทั้งหลายนี่พระติงสุมันเกิดแล้วสักเกในสวรรค์วงคลปิดตถาเหมือนอย่างนั้นจบประโยคข้อที่48 อัญมบทว่าเจ้านังอันว่าพระดํารัสว่าเปิดเลขในพิกเวดูก่อนพิกษุทั้งหลายอาทาโขครั้งนั้นแลสัทาอันว่าครูสุเนโตชื่อว่าสุเนตเมตจิตตังยังจิตดวงประกอบพร้อมแล้วด้วยเมตตาภาเวติย่อมให้เจริญวัสสานิตลอดปีทั้งหลายสตะเจ็ด จุลภาคอัญญบทโสอัญญบทสุเนตโตอันว่าครูชื่อว่าสุเนตนั้นประโยครวบสัตตาวสาณิเมตจิตตังภาเวตาวาครันยังจิตดวงประกอบพร้อมแล้วด้วยเมตตาให้เจริญแล้วตลอดปีทั้งหลายเจ็ดนาอาคมิไม่มาแล้วโล ก, กังสู่โลกอีมังนี้ปุนอีก สั่งวัตตวิวัตตะกับเปย์ซีนสั่งวัตตะกับและมีวัตตะกับทั้งหลายสัตตะเจจุลภาคพิกเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายสุทังได้ยินว่าโลเกครันเมื่อโลกสั่งวตต์มาเนปราลายอยู่จุลภาคอัญญบดโสอัญญบดสุเนโตอันว่าครูชื่อว่าสุเนตนั้น อาพัสระรู ป, ปโคเป็นผู้เข้าถึงซึ่งพรหมโลกชั้นอาพัสระหติย่อมเป็นทุลภาโลกเกครันเมโลกวิวัตตมานีเจริญอยู่อุป ป, ปัจจิตย่อมเข้าถึงบรหัมวิมานาังซึ่งวิมานแห่งพรมสุนยังอันว่าอิติดังนี้อัญญบทพระควตา เปพระผู้มีพระภาคเจ้ามุตตังตรัสแล้วสัตตสุริยะสุเตในสัตตสุริยะสูตรสัตตกังคุ ต, ตเตในสัตตกะนิบาทังคุตรนิกายสันทายะทรงหมายเอาอย่างอัญมบทโพทธิสัตตังซึ่งพระโพธิสัตว์ใดจุลภาคอัญมณีบทโสโพธิสโต อันว่าพระโพธิสัตว์นั้นสุเนโตนามะชื่อว่าสุเนตคณะสัทธาเป็นศาสดาของคณะสุขติงโอคาหณะติดทัศกาละโกเป็นผู้กระทาซึ่งลัทธิเพียงท่าเป็นที่อย่างลงสู่สุขติอัญญบทุตวาเป็นวิขมพะนะวะเสนะกาเมสุ วีตราโคเป็นผู้มีความกำหนักในกามทั้งหลายไปปราดแล้วด้วยอำนาจแห่งวิคัมพนะปะหานอโหสิได้มีแล้วอติเตในการอันเป็นไปร่วงแล้วเจ้าประโยคอัญบทอโถอันว่าดว่าประโยครวบติกะจะตกกัดชานิกายะเมตายะสัมปยุตตัง ปณีตังกัตวาจิตตังภาเวตวาครั้นยังจิตดวงประกอบพร้อมแล้วด้วยเมตตาให้สหรัตต์ด้วยติกรชานและจะตุ ก, กะกรชานให้เจริญแล้วกระทําให้ประนีตอัญญบทิติดังนี้ประโยครวบตัทธอัญญบทประเทสุเมตจิตตังภาเวตวาอิติอัญญบทปะททวยายะสะ แห่งในบททั้งหลายเหล่านั้นหนาหมวดสองแห่งบทว่าเม่ต่จิตตังภาวเวตวาดังนี้จ้ประโยคหิก็สมาธิอันว่าสมาธิอัญญบทเพคะวะตาอันพระผู้มีพระภาคเจ้าวุตโตตรัสแล้วเอทาอัญญบทปะทะทวเยในหมวดสองแห่งบทนี้จิตตาสีเสนะ ด้วยศัพ์สุดยอดคือจิตศั์อิติพระหินนั้นอัญญณบทอโถอันว่าเหนือความว่าประโยครวบเมตตาสมาธิเมตตาพระหามะวิหารังอุปาทิตวาจะเอวะครั้นยังสมาธิอันประกอบพร้อมแล้วด้วยเมตตาคือว่ายัางเมตตาพรหมิหารให้เกิดขึ้นแล้วด้วยนั่นเทียวประโยครวบ เมตตาสมาทิงเมตตาพระหมาวิหารังวัตเทตวาจักครั้นยังสมาธิอันประกอบพร้อมแล้วด้วยเมตตาคือว่ายัางเมตตาพรหมิหารให้เจริญแล้วด้วยอิติดังนี้อัญญบโหติย่อมมีเจริประโยชน์อัญญบทอโถอโันวาดว่ามหาเปตลอดมหากับทั้งหลายสตเต7อัญญบทอิติ ันี้อัญญยบทปะทาทวายสะแห่งหมวดสองแห่งบทว่าสัตตะสังวัตตะวิวัตตะกเปอิติดังนี้จบประโยคสังวัตถายิมิวัตตถายิโนอัญโบทกับปาปิแม้อันว่ากับทั้งหลายอันตั้งอยู่ในฝ่ายอันเสื่อมและตั้งอยู่ในฝ่ายอันเจริญภพกวา อันพระผู้มีพระภาคเจ้ากหิตาทรงถือเอแล้วสังวัตตะวิวัตตะหะนีนะเอวะด้วยสังวัตตะศัพท์และวิวัตะศัพท์นั่นเทียวจะประโยคอัญญบทอโถอันมารว่ากามรลกังสูกามรลกอัญญบทิฏิอย่างนี้อัญญบท ะ, ทะทัทวยสะแหง่งหมวดสองแห่งบทว่า อิมังโลกังอิติดังนี้จะประโยคอัญญบอัโทโธอันว่าว่าโลกเกครั้นเมื่อโลกสังวตามาเนประลายอยู่สังวตตมาเนคือว่าชายามาเนชายามาเนอันไฟไม่อยู่ชายามาเนคือว่าวิปัจชมาเนวิปัจชมาเนวิบัติอยู่ อัญญบอิติดังนี้อัญญบดิปัสสแห่งบทว่าสังวัตามาเนสุทังอิติดังนี้จ้ประโยคจะ ก, ก็สุทังอิติอัญญบดิวัจนังอันว่าคําว่าสุทังดังนี้นี่ปาตามัตตังเป็นสักว่านิบาตอัญญบดโหติย่อมเป็นเจ้าประโยคอัญญบดิอัทโถ อันวาดว่ากับเปครั้นเมื่อกับอัญญบอิติดังนี้อัญญบดปัสสะแห่งบทว่าโลเกอิติดังนี้จะประโยคอัญญบดิอัทโธอันวาดว่าสุเนโตอันว่าครูชื่อว่าสุเนตุปคโตเป็นผู้เข้าถึงแล้วอาพัสระบรมะโลกังซึ่งพรหมโลกชั้นอาพัสระ ตถาอัญโบตอาพัสรบรมโลเกปฏิสันทิกขะนาวเสนด้วยอำนาจแห่งการถือเอาซึ่งปฏิสนธิในปรมาโลกชั้นอาพัสรานั้นญโยบทโหติย่อมเป็นอัญโบบติติดังนี้อัญโบติปัสสะแห่งบทว่าอาพัสรารู ป, ปโคติดังนี้เตโชสังวัตโต อัญบดกับเปอันวักกับอันวาดวายด้วยไฟอัญญบดพระควตาอันพระผู้มีพระภาคเจ้าทัศสิโตทรงแสดงแล้วเอเตนะอัญบทวัชเนีนะด้วยคํานั่นเจ้ประโยคอัญญบดอัตโถอันว่าดว่าสันถะมาเนดารงอยู่สันทหะมาเนคือว่าชายะมาเน ชายามาเนเกิดอยู่อัญญบทิติดังนี้อัญญบทปัสสะแห่งบทว่าวิวัตตมาเนอิติดังนี้เจบประโยคอัญญบทอัถโถอันว่าอัว่าสุนยังชื่อว่าอันว่างอาภาวโตเพราะความไม่มีสัตตสะแห่งสัตก์กสจิไรไรนพิพตสสะภูมิเกิดแล้วตัทาอัญญบทโลเก ในโลกนั้นอัญญบอิติดังนี้อัญญบดีปทัสสะแห่งบทว่าสุนยังอิติดังนี้จบประโยคอโถอันว่าอธิบายว่าพระหมามวิมานังอันว่าวิมานแห่งพรมปทมัตชานะภูมิสังคาตังอันอันบัณฑิตนับพร้อมแล้วว่าชั้นแห่งฌานที่หนึ่งยังใด นิพตังมันเกิดแล้วอาธิโตแต่ต้นจุลภาคสุเนโตอันว่าครูชื่อว่าสุเนตอุปปัชติย่อมอุบัติอุปปัชติคือว่าอุปคัจจติอุปคัจจติตย่อมเข้าถึงตังอัญญบทพระหมะวิมานังซึ่งวิมานแห่งพรมนั้นปฏิสันทิกขหานะวเสนะ ด้วยอำนาจแห่งการถือเอาซึ่งปฏิสนธิอิติดังนี้จบประโยคกีราได้ยินว่าตถาในการนั้นโพธิสัตโตอันว่าพระโพธิสัตว์อัฏฐสมาปัติลาภีปีแม้เป็นผู้ได้ซึ่งสมาบัรแปดโดยปกติสมาโนเป็นอยู่ตถาถึงอย่างนั้นโอโลเกนโตตรวจ ด, ดูอยู่ สัตวหิตังอัญบทจักซึ่งประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์ด้วยอัตโนปารมีบุรณงจักซึ่งการยังบารมีของตอนให้เต็มด้วยนิกันติงอย่างความรักใครอุ ป, ปาเทศตวาให้เกิดขึ้นแล้วชาณภูมิสุในภูมิแห่งชาญทั้งหลายทวีสุสองตาสุเอวะเหล่านั้ น, นเทียว สังสริท่องเที่ยวไปแล้วอปา ร, ราปรังไปไปมามาเมตตาพระหมาวิหาระวะเสนะด้วยอำนาจแห่งเมตตาพรหมิหารจะประโยคปยุณ ะ, ะก็สาวกะสตานี้อันว่าร้อยแห่งสาวกทั้งหลายอเนกาณ์นีน้ไม่ใช่หนึ่งศตุโนของครูสุเนตัสสะชื่อว่าสุเนตอาเหูงได้มีแล้ว จ้ประโยคเตอัญยบดสาวกาอันว่าสาวกทั้งหลายเหล่านั้นสเปย์ทั้งปวงสุตวาฟังแล้วเทศนังซึ่งเทศนาโพธิสัตวตสักของพระโพธิสัตว์ปฏิถ ا ยะตั้งอยู่เฉพาะแล้วโอวาเทในโอวาตัสสะัญยบทโพทธิสัตว์ตสักของพระโพธิสัตว์นั้นสุคติปลายนา เป็นผู้มีสุขติเป็นที่ไปในเบื้องหน้าแเหศสูงได้เป็นแล้วเจ้าประโยชน์ฮิก็เตนสุอัญญบทสาวกเกสุอปเปกัดเจอัญญบทสาวกเกอันว่าในสาวกทั้งหลายเหล่านั้นหนาสาวกทั้งหลายบางพวกพระหัมมะโลกุปปาค้าเป็นผู้เข้าถึงซึ่งพรมโลกอัญญบทเหสูง ได้เป็นแล้วจุลภาคอเปกเจอัญญบทสาวกาอันว่าสาวกทั้งหลายบางพวกชากามาวาจรุปคาเป็นผู้เข้าถึงซึ่งชากามาวาจรสวรรค์อัญญบดอเฮสุงได้เป็นแล้วจุลภาคอเปกเจอัญญบดสาวกาอันว่าสาวกทั้งหลายคาติยะ พรามนาคข้าพติมหาสารุปรคาเป็นผู้เข้าถึงซึ่งความเป็นแห่งกษัตริย์ผู้มหาศาลและพรามผู้มหาศาลและก้าบดีผู้มหาศาลอัญมบทอเหสูงได้เป็นแล้วอิติทังนี้แลจบประโยคสุเนต่าวัตถุอันวะเรื่องแห่งครูชื่อว่าสุเนตอัญญบทปณิเตนะอันบัณฑิต โอโลเกตพังพึ่งตรวจดูป uh ุญญาพานาสุเตในปุญญาพญานาสูตรสัตตะกังคุตรเเรในสัตตกนิบาตอังคุตรนิกายเจประโยค